วันนี้ก็เป็นวันพระครบหนึ่งเดือนของการเข้าพรรษานะพระเราก็สวดถวายพรพระนะชื่อสันส้นๆถวายพรพระก็เป็นการสาธยายถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดครั้งด้วยกันที่สำคัญสำคัญ เป็นชัยชนะที่มีต่อทั้งศัตรูผู้คิดร้ายและรวมทั้งการเปลี่ยนใจของผู้ที่อยู่ในความหลงชัยนะชนะต่อสรรพสัตวนะ์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นพรหมยักษ์มารหรือว่าสัตว์นะ ก็ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบทสาสิยายที่ชาวพุทธนิยมเพราะว่าเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธที่ได้อรัตนาพระมาสวดจริงๆความหมายของ บทสวดนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีพระเป็นผู้สวดหรือไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นแค่ชัยชนะของพระุทธองค์ที่ควรจะระลึกนึกถึงแต่ยังหมายถึงชัยชนะแห่งธรรมะที่เราควรจะน้อมมาไว้ในใจ ถ้าเราต้องการความสวัสดีต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องน้อมเอาธรรมะเหล่านั้นมาไว้ที่ใจของเราแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นกับกายวาจาเป็นพฤติกรรมของเราก็จะทำให้เกิดความเจริญได้เพราะว่าชัยชนะของพระพุทธองค์8ปประการนี้ก็ ไม่ได้ใช้อิทธิปฏิหารมากเท่ากับการใช้ธรรมะเช่นการใช้ความรักความเมตตาการใช้ความอดทนนะหรือว่าการใช้ปัญญาจึงสามารถเอาชน ะ, ะแป8ใน8กรณีได้ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะองคุลิมานไม่ว่าจะเอาชนะปา ก, กาพรหม หรือว่าเอาชนะช้างนาคิรีที่มุ่งร้ายแ้ธรรมะถ้าเรานำมาปฏิบัติกับกายกับใจก็จะมีพลังในการที่จะสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆได้ภัยต่างๆที่จะมา ทำให้เราเมียมเป็นไปนะก็จะบรรเทาเบาบ า, บางลงไปแล้วก็ในบทสวดนี้ก็จะย้ำว่าทุกขณะที่เราทำความดีอันนั้นแหละเป็นเป็นเลิกดีเป็นยามดีเป็นมงคลแล้วนะพนะุทธศาสนานี่จะไม่เน้นเรื่องหรือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเลิกยาม โดยพอถ้าเกิดว่าเราจะทำความดีไม่ว่าทำเวลาไหนก็ดีทั้งนั้นทงาง菩萨สนาจะเน้นมากนะเรื่องของธรรมะนะว่าเป็นมงคลสูงสุดไม่ใช่ธรรมะที่เราได้ฟังหรือไม่ใช่แม้แต่ธรรมะที่สวดในวันขึ้นบ้านใหม่ หรือว่าในเทศกาลงานต่างๆอันนั้นก็ยังไม่ไม่ถือว่าขลังหรือว่ามีอนุภาพมากเท่ากับธรรมะที่เราน้อมมาใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติทุกเวลาคำคำัสของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษิตหรือว่าที่เป็นมนตราที่เราสวดกัน อันนั้นก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ตราบใดที่ไม่มาปฏิบัตินั้นอย่าว่าแต่แต่ธรรมะเลยนะหรือว่าภาสิท์แม้แต่สิ่งที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเช่นพระเครื่องพระพิมพ์จริงๆพระเครื่องพระพิมพ์นี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ดีน้อยกว่าธรรมะได้ซ้าที่พระองค์ได้ตรัสได้สอน ถ้าพูดไปแล้วภาศิทธิ์หรือว่าพุทธภาษิทธนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ได้ดีกว่าชัดเจนกว่าพักเครื่องพับพิมพ์ซะอีกนะเพราะว่าพระพุธเจ้าตัดไปเองว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตและธรรมเนี่ยที่จะทำให้เราเข้าใจก็สื่อออกมาด้วย ถ้อยคำที่เป็นภาสิตหรือพุทธภาษิทนะหรือว่าคําตรัสนะแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่ถ้อยคําถ้าเราเพียงแค่ทรงจําไวเ้เฉยๆไม่ไมาปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ทำที่แท้ส่วนพักเครื่องพับพิมพ์นั้นเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่ยากนะเป็นตัวแทนที่ยากมากเพราะว่าแสดงแค่ อัสรีละซึ่งเป็นเรื่องของรูปนะเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของกายซึ่ ง, งแปลเปลี่ยนได้มันปลอันนี้นจังไม่เที่ยงนะเมื่อกี้ก็ได้บอกไว้แล้วว่าแม้กระทั่งพักเครื่องพระพิมพ์นี่ก็ไม่สามารถที่จะอะ่าก็ยังไม่ใช่เป็นมงคลเท่ากับพระธรรมที่เรามาปฏิบัต เดี๋ยวนี้เราก็เห็นคนห้อยพระเครื่องพระพิมหรือว่ า, าพกพาพระเครื่องพระพิมไปติดตัวไปเพื่ออะไรก็เพื่อหวังความเจริญความาก้าวหน้าหรือว่าปกป้องอันตรายต่างๆหรือบางทีก็หวังมากกว่านั้นเช่นหวังให้มีสเสน่ห์ให้ธรรมมาค้าขึ้น ให้มั่งมีสีสุขเยนี้มีถึงขั้นรุ่นนะที่สามารถทําให้เอาเงินจากคนอื่นมาไว้ในกระเป๋าเราได้นะมีบางรุ่นเป็นอย่างนั้นพระดูดทรับเนี่ยนะดูดซัพย์จากกระเป๋าคนอื่นมาไว้กระเป๋าเราที่จริงคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทํานองนี้นี่ ชาวบ้านเขาจะไม่ไม่หวังพึ่งพระเครื่องพระพิมพ์เลยเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่พกพาพระเครื่องเขาถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นของสูงแม้แต่ในบ้านเนี่ยก็จะหาพระพุทธรูปซักองไม่เจอเพราะชาวบ้านสมัยก่อนนี่ไม่ไม่ไม่นำพระพุทธรูปเข้าบ้าน พระพุทธรูปเนี่ยสถานที่เหมาะมีอย่างเดียวก็คือวัดหรือโบสถ์แต่จะไม่เอาพระพุทธรูปเนี่ยเข้าบ้านเลยห้องพระนี่ไม่มีในสมัยก่อนเพราะก็ถือว่าบ้านนี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นเขตถ้าผู้พิจาราสมัยใหม่คือเขตสา ม, มานะที่คนเนี่ยอาจจะทำสิ่งไม่ดีในบ้านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ ไม่สะอาดพอที่จะให้นําเอาพระเข้ามาไว้ในบ้า น, นเพราะฉะนั้นเนี่ยจก็จะไม่มีการพกพาติดตัวแต่ถ้าหวังความเจริญหวังสิริมงคลหวังโชคลาภหวังก็จะใช้อย่างอื่นแทนที่เราเรียกว่าเครื่องลางของขลังเช่นยันบ้างตะกรุดบ้างประลัดขิดบ้างนะ สมัยก่อนจะไม่มีการเอาพระพุทธรูปมาติดตัวนะเพื่อเพื่อความเจริญทางโลกหรือเจริญแบบโลกโลกนะเขาถือว่าพระพุทธรูปนี่เป็นเป็นสำหรับมีอนุภาพสำหรับการที่น้อมนำให้เราให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในภพอื่น เ, เช่นได้ไปสวรรค์หรือว่าไปนิพพานโน่นอันนี้เป็นเรื่องของ ของพระพุทธลูปเป็นเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องของพระรตนัไตรสมัยก่อนจะมีการแยกกันนะระหว่างถ้าเป็นความเจริญในทางธรรมะก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาถ้าเป็นเรื่องความเจริญทางโลกความร่ำรวยความมั่งมีนะการมีคู่ครองมีแม่ตามหานิยมคงกับพันชาตรีโพนี้ถรอเป็นเรื่องของใส พุกษ์ใสจะแยกแยกอนาคเฉกันชัดนะใสนี่ก็หมายถึงเครื่องรางของครั้งวัตถุมงคลที่เราที่สมัยนี้เราก็นึกภาพตะกุดยันนะหรือว่าพวกเหล็กไหลอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะพกพาสิ่งนั้นแทนนะแม้แต่การป้องกันอันตรายจากอุปัติเหตุก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพุทธแต่เป็นเรื่องของใส สายนี่เป็นเรื่องของความสำเร็จทั้งโลกนะความสำเร็จทั้งโลกกนะ็เรื่องเงินทองเรื่องของสุขภาพเรื่องของอ ห, นหน้าที่การงานเรื่องของคู่ครองคนสมัยก่อนเขาแบ่งชัดนะว่าพุทธทำหน้าที่อะไรนะสายทำหน้าที่อะไร แล้วก็พุกธกสัยก็อยู่ด้วยกันได้พอมาระยะหลังเราก็ปฏิเสธสายเลยเพราะในช่วงร้อยอยกว่าปีที่ผ่านมาเราเร่ามีการปฏิรูปพุทธศาสนาก็เอาสายออกไปนะพระก็ทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่ได้ตะก่อนตะกรุดพวกยันต่างต่างก็เป็นเป็นเรื่องของพระพระมก็ให้ญาติโยมไปไม่ได้ขายนะ คารวะธรรมก็มีแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักของพระนะพอมีการปฏิรูปพุทธศาสนาก็เอาสายออกไปออกจากวัดแล้วก็สายมันก็เลยอยู่นอกวัดแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันก็กลับเจริญ ง, งอกงามคนที่มาทำเรื่องนี้ก็ไม่ใช่พระพอไม่ใช่พระก็อาจจะทำด้วยกิเลสทาด้วยความโลภเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น เรื่องของพา น, นิขึ้นมาเป็นสสยพา น, นนะิมีการทำาขายากรกนะเริะแต่ตอนหลังพ อ, อกรกเริกมากนะก็มีการพยายามสร้างวัตถุสินค้าตัวใหม่ๆขึ้นมาในที่สุดก็เอ า, าเครื่องพับพิมพ์นี่แหละมาเป็นของซื้อของขายด้วยนะแล้วก็ทำไปทำมาก็กลายเป็นที่นิยม ด้ยเพราะคนมีการศึกษาก็คิดว่าพระพุทธรูปพระเครื่องนี่มันดีกว่ามันสูงกว่าตะกรุดยันหรือว่าประหลัดขิกนะคนมีการศึกษาสวมประหลัดขิกห้อยประหลัดขีดแล้วดูไม่มันมันไม่ดีมันไม่ดีเท่ากับห้อยพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นก็เลยเอาพระพุทธรูปมาทําหน้าที่แทนมาทําหน้าที่แทนพวกเครื่องลังของขลังนี้ก็คือ อกันอันตรายขงกับพันชาตรีแม่ตามหานิยมนะถ้าอมพระหรือว่าหอยพายและยิงสันไม่เข้าไอความคิดแบบนี้เพิ่งมีสมัยนี้นะสมัยก่อนมันไม่ใช่หน้าที่ของพระไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าหนะ้าที่ของพระเจ้าคือเอาชนะความชั่วเอาชนะกิเลสตัณหานะเอาชนะความโกรธความเกลียดไม่ใช่เอาชนะลูกปืนหรือว่าเอาชนะพวก ไม่ใช่เพื่อทําให้เรามีเมตตามหานิยมคนรักคนหลงอันนั้นเป็นหน้าที่ของอะตะกรุดยันไม่ใช่ใชเรื่องของพระขุนแผนนะอันนี้ก็มันก็เลยเป็นความแปรเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราก็เอาพระเครื่องพระพิมพ์มาทําหน้าที่ให้เกิดความสําเร็จทางโลกนะส่วนเรื่องความสวัสร็จทางธรรมก็ เดี๋ยวีไม่ค่อยสนใจแล้วมุ่งแต่ความสเ็จทางโลกบางทีเรากราบไหว้พระเนี่ยเราก็ไม่ได้กราบไหว้เพื่อให้เกิดความสเ็จ ท, งทางธรรมนะก็คือว่าช่วยลดกิเลสช่วยลดตัณหาหรืออย่างต่ำๆก็ได้ไปสวรรค์นะมากกว่านั้นก็นิพพานเดี๋ยวนี้ไม่ละเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไปสวรรค์ก็ไกลตัวนิพพานยิ่งไกลใหญ่ ก็เอาเรื่องความสเร็จทั้งโลกในโลกนี้ในชาตินี้แหละเพราะไม่รู้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าเอาเพราะฉะนั้นเงินทองก็เลยกลายเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของคนสมัยนี้แล้วก็ใช้พระเป็นสื่อเป็นเครื่องมือนะต้องใช้คํานี้ว่าใช้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าพร ะ, ะที่เป็นเกจิอาจารย์เป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เกิดความมั่งมีเรียกว่าความสุร็จทางโลกเคยเห็น เคยเห็นเป็นเป็นกรอบเป็นกรอบพระไม่ใช่กรอบพระในที่นี้ไม่ถึงพระพุทธรูปนะเป็นภาพพระสามองค์มีหลวงพ่อชอบหลวงพ่อชอบที่หลวงปู่ชอบะนะ้ที่เมืองเลยหลวงพ่อเงินะที่นครปฐมหลวงพ่อสดวัดปักน้ำแล้วก็มีคำมีมีถ้อยความ สั้นๆเขียนไว้ใต้ภาพาว่าชอบเงินสดนะหลวงพ่อหายไปนะั้นหมายคว่าชอบหลวงพ่ออยู่ข้างบนแต่ชอบอยู่ข้างล่างอ่านดูก็รู้นะว่าเขาเขากํ า, า, ากลังกราบอะไรเกาไม่ได้กราบพระแตากํากลังกราบเงินนะเขาอยากได้เงินสดนะชอบเงินสดนะสวรรค์ไม่เอานิพพานไม่เอ า, า, เอากุจอาเงินสดนะนะ เงินฝากก็ไม่เอาเงินเชื่อไม่เอานี่แสดงให้เห็นว่าเขาเดี๋ยวนี้เราเอาอะไรเป็นเป็นสารณะนะดูเผลอเหมือนกับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะ่ยแต่ไม่ใช่เงินเดนี้คนเข้าวัดก็เพราะเหตุ น, นีนะ้เข้าวัดกันก็เพราะอยากจะได้เงินอยากจะไดะ้ความมั่งมีเป็นการที่จะมาด้วยใจที่ใฝ่ธรรมะ ใจที่อยากจะลดละกิเลสนะใจที่ปรารถนาบุญเพื่อความสุขในภพหน้าจริงทำมาหนี้ให้ความสุขในภพนี้แ ล, ล้วล่ะนะแต่เป็นความสุขที่มันไม่อิงวัตถุแล้วคนก็ไม่เข้าใจว่าความสุขที่ไม่อิงวัตถุความสุขที่ไม่พึ่งวัตถุมันมีจริงหรือเปล่าบางทีก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเชื่อเพราะว่าเขาเห็นพระ พระนี่อยู่แบบง่ายๆนะอยู่แบบง่ายๆไม่ไม่ไม่สนใจวัตถุเป็นแบบอย่างให้กับเขาได้เขาก็เชื่อว่าความสุขที่ไม่อิงวัตถุนี่มีจริงเพราะเห็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมจากพระนะพระท่านไม่ว่าจะเป็นเออเป็นที่เคารพนับถือแค่ไหนท่านก็อยู่แบบจนๆ น, นะบางทีกลายเป็น กลายเป็นกลายเป็นไม่เรียกว่าเรียบง่ายนะคือกลายเป็นแบบเรียกว่าปอนปอนไปเลยใ น, นพระสมัยนั้นเป็นอย่างนี้ก็เยอะคือไม่เอาใจใส่เรื่องกุติที่พักแหลงสินนะ้นไม่มีอะไรมากนี้ก็แจกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้คนเห็นว่าความสุขที่ไม่อิงวัตถุนี่มีจริงแต่ตอหลังเนี่ยไอแบบอย่างแบบนี้มันหาหน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ก็คนไปเชื่อว่าความสุขเกิดจากวัตถุก็คือเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นก็แก่งแย่งเอาเงินกันแม้แต่เวลามาวัดก็มาเพื่อเหตุนี้เพราะฉะนั้นก็เลยคนมาวัดก็มาด้วยความเป็นแกนตัวแบบนี้มันบางทีวัดก็เลยกลายเป็นที่ที่ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่สารคนต้องการหาความสงบเพราะว่า แวะรอมหรือเจอแต่คนที่คิดแต่จะเอาก็มีลงไปเชี่ยวนี้ก็มีญาติคนหนึ่งแต่ก่อนแกก็ก็สนใจไปวัดแต่ตอนหลังไม่ค่อยไปวัดละแกไปสองแห่งอันที่หนึ่งไปไปบวชคริสตอันที่สองไปเทวารายของพวกพราหมณ์แล้วก็เล่าให้ฟังว่า เวลาไปโบสคริสเวลาไปเทวาลของพวกพราหมณ์เนี่ยคนคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยหรือคนที่ไปไปไปสักการะเนี่ยเขาก็ดูดูแลเอาใจใส่เวลาใครไปเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะมีความเ อ, อื้อเฟือเฟ้อเกื้อกูลกันมีการรักถามว่าเป็นยังไงมาอย่างไงนะมีการแนะนำต่างๆเชื้อเชิญ ดูรู้สึกว่าอบอุ่นไปโบสถ์คริสก็ดีไปเทวารายก็ดีรู้สึกอบอุ่นแต่เวลาไปวัดนี่มันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะเหมือนก็ว่าต่างคนต่างต่างอยู่ตัวใครตัวมันว่าอย่างนั้นก็อธิบายเขาฟังว่านะในโบสถ์คริสหรือว่าเทวารายเนี่ยมันก็จะมีคนที่ดูแลคอยเอาใจใส่คนมาใหม่ว่าเออใครมาใหม่ก็จะมี เจ้าหน้าที่คอยดูแลคือพวกนั้นเมีการจัดตั้งจัดระเบียบดูแลคนที่มาใหม่ให้คาแนะนำประถมนิเทศให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องอีกอย่างเนี่ยคือว่าคนที่จะไปโบทถคริสต์ไปเทวะอะไมันมีน้อยไม่เหมือนวัดในวัดนี่คนมากันเยอะมันการดูแลก็ไม่ทั่วถึงอย่างวัดเนี่ยที่นี่คนก็เยอะนะการดูแลก็ไม่ทั่วถึง นะแค่เรื่องครัวนี่ก็เรื่องครัวเรื่องเสนาสนะนี่ก็ใช้ใช้กำลังของคนไปเยอะละคนก็อาจจะไม่ว่างที่จะมาดูแลเอาใจใส่แต่อีกส่วนหนึ่งนะซึ่งน่เป็นสาเหตุหลักก็คือว่าคนที่มามามาวัดพุทธเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเอาแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการมีเมตตาการเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันเท่าไหร่ พอครบาาจารย์ไม่เน้นเรื่องการเอาใจใส่การช่วยเหลือเกื้อกูลการเป็นเพื่อนเพื่อนพ้องเพื่อนมนุษย์กันเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนใจที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่เหมือนทางคริสต์นี่เขเน้นมากนะเรื่องของการช่วยเหลือก <may out> ันการดูแลกันเ้ามีพิธีกรรมหลายอย่างที่มาร่วมสมัยเช่นร้องเพลงพอร้องเพลงแล้วคนก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็น เป็นพี่เป็นน้องกันหรือใกล้ชิดกันมากขึ้นของเรานี่เราเมื่อแต่ละคนต่างคิดที่จะมาเอาแล้วก็มาหนักกว่านั้นคือมาด้วยความยึดติดในครูบาอาจารย์พอยึดติดครูบาอาจารย์มีความสุว อ, อาจารย์เป็นของฉันก็อาจจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีแล้วว่าจะมาแย่งอาจารย์ของฉันไปนะจะมาแย่งหลวงพ่อของฉันไปไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับ คร้บาจารย์ชั้นนะหลวงพ่อของชั้นนะก็เป็นอย่างนี้นะคือเราจิตใจเรามุ่งตรงไปที่ครูบาจารย์ด้วยความยึดติดเป็นตัวเราของเราเราก็เลยไม่สนใจคนอื่นนะเคยมีแม่ชีนะที่ที่ผู้หลงนิรัยฟังไปวั ด, ว, ดวัดหนึ่งแถวอีสานวัดนี้ชื่อดังมากเพราะว่าเอ่ยชื่อก็รู้จักเพราะว่าเชื่อว่าเจ้าว่านี้ท่านเป็นพระอรหันต์ก็มี ไปกับไปกับเพื่อนแล้วก็แม่ของเพื่อนซึ่งเป็นคนแก่อายุสัก70แล้วก็มีญาติอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ขาพิการก็เดินกระเพะกระเพะไปกับสี่คนไม่มีรถนะนั่งรถ10บล้อไปไปส่งที่วัดก็กลายเป็นที่แปลกเพราะว่าวัดนั้นเนี่ยคนเยอะมีรถมาจอดมากมายรถรวยๆรถรถดีๆทั้งนั้นแต่ว่านี่มีรถ10บล้อมามาส่ง เสร็จแล้วรถสิบล้อก็กลับไปก็ไปถวายจังหันคนเยอะมากเป็นร้อยพอถวายจังหันเสร็จพระฉันก็ได้เวลาญาติโยมกลับนะคณะนี้เขามีสี่คนเขาก็เดินกลับคือเดินจากโบดเดินจากวัดเนี่ยออกไปที่ถนนใหญ่ก็ประมาณสัก2กิโลตอนนั้นก็ประมาณสัก9โมง10โมงแดดก็แรงระหว่างที่เดินออกก็มีรถเป็นร้อยรคันเนี่ย ขับออกไปแต่ไม่มีสักคันเนี่ยที่จะหยุดรับคนแก่หรือคนพิการนะที่เขาเดินกระเพกกระเพกนะไม่มีเลยสักคันไม่มีแม้แต่จะถามอันนี้ก็แสงเหน็นถึงความถึงน้ำใจของคนที่ไปวัดว่าเป็นอย่างไรคือเขาไปเพื่อที่จะไปกราบไหว้เกจิอาจารย์ไปได้วยความศรัทธานับถือ ก็ไปเพราะความรู้สึกยึดติดถือมา่ในตัวบุคคลแต่ว่าเข้าไม่ถึงธรรมะเข้าไม่ถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเขาอาจจะเข้าไม่ถึงธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นสอนด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปนะกับกับวัดในพุทธศาสนาในระยะหลังโดยเฉพาะวัดดังๆนะที่มีคนไปเยอะ ซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่อาจจะแตกต่างจากทางโบสถ์คริสต์หรือว่าเทวไลัยของพราหมณ์ทีเ่เขาเข้าพยายามเขาก็เน้นเรื่องความเป็นหมู่คณะความเป็นชุมชนนะครับ อ, อันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะว่าการเข้าวัดของคนไทยสมัยนี้เนี่ยเราเราไม่ได้เข้าวัดด้วยด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา นะก็เคยพูดไว้หลายครั้งว่าเดนี้การนับถือคนไทย เ, ยเนี่ยเราเรานับถือเราใส่ใจแต่การปฏิบัติกับคนที่อยู่สูงกว่าเราเราจะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าเราคนที่อยู่สูงกว่าเราก็เช่นพระสิ่งที่อยู่สูงกว่าเราก็เช่นพระพุทธรูปหรือว่ า, าบุญกุศลหรือว่าพระนิพพาน แต่ว่าสิ่งที่อยู่เสมอเราสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเราเราไม่สนใจเราคชืว่าธรรมะคือเท่านั้นธรรมะคือการปฏิบัติกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าเราหรือคนที่อยู่สูงกว่าเราแต่ว่าคนที่อยู่เสมอเราคนที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นคนยากคนจนหรือว่าหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เราไม่คิดว่านั่นคือบุญด้วยเหมือนกันบุญก็คือการทากับพระ บุญคือการถวายถวายสังฆทานบุญก็คือการสร้างโบสถ์สร้างวิหารบุญก็คือการสร้างพระพุทธรูปนะแต่ว่าถ้าไปช่วยสัตว์นี่ถือว่าไม่ได้บุญนะหรือว่าได้บุญน้อยนะอันนี้มันมันไม่ใช่เป็นเป็นคาสอนในพุทธศาสนาแล้วพอคิดแบบนี้เข้าต่อไปแล้วก็ขยายความไปถึงว่าเวลาจะช่วยเนี่ยก็ช่วยคนที่ สูงกว่าเราเช่นถ้าเป็นฝรั่งเขาเดือดร้อนเราช่วยเต็มที่แต่ถ้าเป็นพมา่าเป็นลาวเรารังเกียจนะเนะพราะถ้าเป็นฝรั่งมาเมืองไทยเราต้อนรับนะเรายิ้มให้เราก็โฆษณาว่าเราลักคุณเท่าฟ้านะเรายิ้มแต่ถ้าเป็นขเขมรปนพมา่าเป็นลาวนี่เรารังเกียจนะบางทีมันเป็นความแตกต่างนะ ตอนที่ช่วยสึนามิเนี่ยคนไทยก็เป็นที่ยกย่องกันมากว่าเมตตากรุณาแต่ว่าฝรั่งนี่ประทับใจมากว่าคนไทยนี่ช่วยเต็มที่เลยแต่ว่าสิ่งที่ถูกมองข้ามไปก็คือพมา่านะที่ไปทํางานแถวนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าช่วยคนที่สูงกว่าเราคือฝรั่งเนี่ยมันเรู้สึกปราบปลื้มใจ่ะ ฝรั่งเขามีการศึกษามากกว่าเราเขามีเงินมากกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเราเราก็เต็มที่ช่วยแต่ว่าพวกพมา่าพวกลาวพวกนี้มันมาหางานทําในเมืองไทยมันเป็นพวกที่ก่อปัญหานะเรามีความเรามีทัศนคติแบบนั้นก็เลยไม่สนใจนะก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ที่ไปช่วยพมา่าไปพวกซึ่งตายเยอะมากตอนสึนามิเนี่ยเพราะว่ามาทํามาหาง มามาเป็นลูกจ้างตายเยอะเป็นร้อยๆอาจจะเป็นพันอาจจะเป็นร้อยนะก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปช่วยเทน้ำหนักไปที่ฝรั่งนะแล้วฝรั่งก็เลยปราบปลื้มมากแต่ถามว่าพระมาก็ปราบปลืมนะ้มไหมเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็แสดงว่าเราการช่วยของคนเราเนี่ยเรามักจะช่วยคนที่สูงกว่าเราหรือว่าการทำบุญเราก็ทำเอาคนที่สูงกว่าเรานะ แล้วเดี๋ยวนี้หนักมากนะก็คือว่าแม้แต่ช่วยก็ไม่ช่วยแล้ะแล้วก็ทําไปโดยอ้างอ้างหลักธรรมะอ้างหลักกรรมนะนะเช่นว่าอย่าไปช่วยคนใกล้ตายนะหมอและพยาบาลถ้าไปช่วยคนใกล้ตายเกิดช่วยให้เขาลอดชีวิตมาได้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นนี่จะมาเล่น ง, งานเราแทนนั่นนี่คิดแบบนี้กันเยอะนะเดี๋ยวนี้ ทีแรกก็คิดว่าเป็นคิดกันน้อยๆแต่มันแพร่หลายในวงการแพทย์พยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆนะมีหมอใหญ่คนหนึ่งเสียป่วยหนักเพราะโรคเพราะโรคมะเร็งก็มีคนไปบอกไปบอกภรรยาของหมอท่านนั้นว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไปช่วยโครงการไปช่วยขับเคลื่อนโครงการ30สบาทรักษาทุโรคทำให้คนลอดตายจําจำนวนมาก เจ้ากรรมในเวรก็เลยมาเล่นงานคุณหมอท่านนั้นแทนคิดได้ถึงขนาดนี้นะยันต่อไปนี่เห็นใครประสบอุบัติเหตุก็จะไปช่วยนะพอช่วยแล้วให้เขารอดมาเดี๋ยวเราซวยแทนแถ้าทุกคนไทยคิดแบบนี้กันทั้งประเทศจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเท่านั้นแหละนะแต่คนมบบนี้คิดกันนะเขาเหตุผลว่าอ่ เจ้ากรรมนายเวรจะลังมาเล่นงานคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปช่วยเขาเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรโกรธเป็นอำนาจมืดบางอย่างที่เราไม่รู้จักและเราต้องต้องยอมนะหรือว่าถ้าเกิดมีใครกําลังถูกทําร้ายถูกโจรทําร้ายหรือว่าถูกโจรมันจะชําเราก็อย่าไปช่วยเขานะเพราะเขากาลังใช้กรรมนะคิดแบบนี้ก็มีนะอาตอมาก็ถามคนพูดว่า ถ้าคนที่กาลังถูกหลังแกถูกทำร้ายนี่เป็นเป็นลูกเราเป็นลูกสาวเราเราคิดยังไงถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ในที่นั้นแล้วเขาไม่ช่วยลูกสาวเราอะเรายังคิดว่าเขาทำดีเขาทำถูกหรือเปล่าถ้าหาว่าคนที่เขาเป็นผู้สังเกตการคนนั้นเ็าบอกว่าอย่าไปช่วยเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังใช้กำหรือถ้าถ้า ถ้าเป็นเราซึ่งกลังอยู่ในเหตุการณ์และลูกสาวเรากาลังถูกทําร้ายเราจะคิดไม่ว่าลูกสาวเรากาลังใช้กรรมในชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปช่วยเขาเลยเป็นการแทรกแซงกรรมก็ไม่มีใครบอกว่าฉันจะอยู่นิ่งเฉยถ้าเป็นลูกสาวฉันฉันก็ต้องช่วยแต่ทำไมถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกสาวเราเขาถูกทาร้ายเราถึงคิดว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่เราจะอยู่เฉย ด้วยการอ้างว่าเขากําลังใช้กรรมนะดียวนี้เราใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเพื่อเป็นข้ออ้างในการสนองความเห็นแก่ตัวนะแล้วทีวนี้ก็ไปหนักนะอย่าว่าแต่ช่วยเลยนะุที่ส่วนกุศลยังไม่ไม่ยอมเลยมีคนบอกว่าเด๋ย่าที่ส่วนกุศลให้คนอื่นมากนะเดี๋ยวบุญที่เรามีจะหมดไปนะมันไปขนาดนี้นะแล้วอ้างาศาสนาพุทธนะอ้างเรื่อง กรรมอ้างเรื่องอะไรคืออันตรายมากคือจะเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวไปแต่อย่าอ้างพุทธศาสนาอย่าอ้างกดแห่งกรรมเพราะนั้นจะทําให้ศาสนาพุทธหมัวหมองมากขึ้นและศาสนาพุทธก็นในสุขก็จะกลายเป็นที่ซ่องสมของคนเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้วัดจํานวนมากนี่กลายเป็นที่ซ่องสมของคนเห็นแก่ตัวเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนไปวัดก็เลยไปล้วร้อนใจไปแล้วไม่มีความสุขเพราะว่ามันมีแต่คนเห็นแก่ตัวทั้งนั้น บางทีรองเท้ารองเท้าถอดไปยังหายเลยนะรองเท้าถอดไปหายเฉยเลยบางวัดนี่ต้องเจาะรองเท้าเป็นรูตามห้องซ่วมเพราะว่ากลัวคนเอาไปถ้า <c oughs> มีคนนึงแก่ขี่จักรยานขี่จักรยานเนี่ยนะเวลาขี่จักรยานที่ไหนแกก็จะคอยระวังโรงพยาบาลไปจอะไว้ที่โรงพยาบาลเจาะเจาะไว้ที่อนามัยหรือว่าจอดไว้แถวเทศ สถานที่ราชการอำเภอแกก็จะระวังมากเลยแต่พอมาวัดนี้แกไม่ระวังเลยนะเพราะก็ว่าหายที่วัดเนี่ยไม่ได้หายที่อื่นนะดังนั้นวัดอย่างนี้มันบรรยากาศอย่างนี้มันคนไปมันก็แบบไม่มีความสุขก็เลยไปบสถ์คริสต์ไปเทวะไรดีกว่านะเพราะว่ามันยังเป็นที่ที่ได้รับความสบายใจคนเอือเฟือเกื้อกูลกันบ้างให้ตอนนี้เราต้องช่วยกันอย่าให้วัดเป็นที่ซ่องสมกันคงเห็นแกตัว เวลาเวลาไปวัดเนี่ยก็ให้มันเข้าถึงธรรมะด้วยนะอย่าไปแค่ติดอยู่ที่พิธีกรรมนะที่เราหวังว่าจะทําให้เราร่ํารวยมั่งมีหรือว่ามีความเจริญทางโลกไปถึงวัดก็ให้ถึงธรรมะนะอย่าไปติดแค่ตัวหลวงพ่อเกจิอาจารย์ถ้าไปติดก็ไม่ถึงนะนะอย่าว่าแต่ถึงพระพุทธเจ้าเลยยังไม่ถึงเลยนะ พระเจ้าอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่าเนี่ยว่าพระพุทธรูปนี่นะก็สามารถจะเป็นภูเขาขวางกั้นพุทธธรรมได้ที่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่พระพุทธรูปนะแม้แต่เกจิอาจารย์หลวงพ่อก็สามารถเป็นภูเขาขวางกั้นวิธีอย่างพุทธธรรมได้คือไม่ต้องพูดถึงนิจฉาเอาแค่เมตตา ก, กรุณาเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเพราะว่า ไ, ไปติดอยู่ที่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตา หรือว่าไปติดที่พิธีกรรมนะเราต้องตระหนักว่าการปฏิบัติกับคนที่อยู่ข้างเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอันนั้นก็เป็นบุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องมาทำดีกับพระต้องทำดีกับหลวงพ่อเท่านั้นนะเราต้องทำดีกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราคนที่มีฐานะเท่ากับเราหรือคนที่ต่ากว่าเราต่ำนี่พูดถึงต่าในเชิงสมมตินะ พรว่าถึงที่สุดแล้วคนเราก็เสมอกันแหละเวลาตายก็ตายคนเดียวเกิดแก่เจ็บต า, ตายก็เหมือนกันทั้งนั้นไม่มีใครรอดพ้นและยิ่งเวลาตายเนี่ยปล่อยให้ศพขึ้นขึ้นอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคนรวยคนจนหรือฝรั่งไทยพวกที่ไปสึนามิเนี่ยนะไปช่วยไปช่วยพาศพกลับบ้านเนี่ยไปช่วยแยกศพจำแนกศพเนี่ยก็บอกจำแนกยากมากเดอยวว่าแต่ เดี๋ยวว่าแต่คนคนรวยคนจนเลยนะไม้แต่ไทยกับฝรั่งก็จำแนกยากมันเหมือนกันหมดเลยคนเราเวลาตายแล้วเท่ากันหมดเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยเขาจะบอกจะยุติธรรมมากนะถึงเวลาตายก็เหมือนกันหมดไม่ได้ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่คือเน่าคือเหม็นแล้วก็พองอืนเหมือนกันหมดเลย อันนี้พูดโดยสภาวะนะแต่โดยสมมุติแล้วก็มีสูงต่ำนะแต่เราก็อย่าไปติดกับสมส ม, มุตินั้นใครที่การศึกษาน้อยกว่าเราใครที่เขายากจนกว่าเราก็เอื้อเฟื้อเขาเหมือนกันรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยนะอันนี้แหละเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการปฏิบัติธรรม ซึ่งเราจะช่วยทำให้เราถึงธรรมได้ดีกว่านะการที่เราจะไปห้อยพระหรือว่าเอาแต่ฟังหรือท่องบทสวดมนต์แต่ว่าไม่เข้าใจไม่เข้าถึงความหมายเดี๋ยวนี้เราก็นิยมท่องคาถาชินบัญชรนะเพื่อปกป้องอันตรายนะแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าถึงเนื้อธรรม เนื้อหาทางธรรมมากของคาถานี้ได้มันก็ไม่ถึงธรรมนะอิติปิโสก็เหมือนกันแม้เราจะสวดเพื่อความเจริญความสุขสวัสดีแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมะในในบทสวดนั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้น้อยไม่ใช่ไม่ช่วยนะช่วยช่วยได้แต่ช่วยได้น้อยเช่นทำให้เราเกิดความเกิดความสุขเกิดความ ส, สงบเย็นในจิตใจ หรือว่าคาถานั้นเนี่ยก็อาจจะมีอนุภาพในการปกป้องอันตรายได้เป็นไปได้แต่ว่ามันจะชั่วคราวมันจะไม่ใช่ ย, ยั่งยืนเหมือนกับธรรมะที่เราน้อมเอาไว้ที่ใจแล้วก็ปฏิบัติกับคนอื่นเสมอเหมือนกันหรือปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณาอันนี้พญานพวกเราก็ต้องพยายามน้ำมาวัดก็ให้ถึงธรรมะ แล้วก็อย่าไปอย่าไปแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมการเจริญสติการภาวนาเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่เป็นมันไม่ถึงนะมันไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นไม่ถึงอนะ่ะเพราะว่าอาจจะปฏิบัติด้วยความเห็นแก่กตัวก็ได้หรือปฏิบัติแล้วแต่กิเลสไม่ลดนะความเมตตากรุณานไม่ได้เพิ่มขึ้นมีคนผู้วันในนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยแรงมากเลย นะแสดงด้วยความเห็นที่รุนแรงมากได้ฟังมาหลายคนแล้วเขาก็ถามให้เข้าวัดไทยทำไมความเห็นเนี่ยเวลาแสดงความเห็นคนที่ตาย ต, ตัวมันแรงเต็ไมไปด้วยความโมโหเต็ไมไปด้วยความโกรธเป็น ไ, ได้วยความเกลียดนะอันนี้ก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้ลดละความโกรธเปลียดในใจไม่รู้เท่าทันอกตินะหรือว่าไม่ไม่ ไม่ทำให้เมตตากรุณาเพิ่มพูนขึ้นเวลาเห็นคนที่คิดต่างจากตัวตายเนี่ยโอ้ยดีรู้สึกว่าดีใจอาตมาตกใจทีนึงนะเคยตอนมีทอยกระถินเมื่อประมาณปี27งเจปี 47. ช่วงนั้นมันหลังจากเหตุการณ์ตักใบที่มีชุมนุมมีผู้ชุมนุม79คนตายอยู่บนรถขณะลำเลียงไปค่ายทหาร ตายพ่อละตายพ่อขาดอากาศหายใจเนื่องจากเอาคนเนี่ยมากองทับทับทับทั บ, ทบกันนอนกองนะนอนกองนอนทับทับกันไม่รู้กี่ชั้นถ้าตายพ่อขาดอากาศหายใจสองวันหลังจากนั้นก็มีทอดกรถินที่นี่ก็มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งซึ่งเป็นกุณฑรมาธมโออุตสาห์ตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมในเขตบ้านของตัวก็มาพูดตำ ม, มาว่าอยู่ดีเขาก็พูดมาว่าว่า น่าจะตายมากกว่า น, นี้นะคือฟังแล้วก็สลดใจว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเมตตากรุณาต่อผู้อื่นแม้เขาจะเป็นมุสลิมแม่เขาจะเป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองต่างจากเราก็ตามแต่เราก็ต้องมีเมตตากับทุกคนเพราะเขาก็มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่นะใครตายสักคนหนึ่งครอบครัวก็เดือดร้อน หรือว่าเขาเองตายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วเพราะว่าการยินดีของเรามันก็ทำให้เราจิตใจอยากกระด้างจิตใจเราอยากกระด้างและในสุดเราก็ห่างไกลจากความเป็นมนุษย์นะที่จิง่งุทศาสนาสอนด้วยซ้ำว่าใครที่เขาดีดีเราก็ต้องมีมุติตาด้วยมุติตาจิตเป็นคุณสมบัติหนึ่งของชาวพุทธนะ ใครเขาได้ดีแม้จะเป็นคนที่เราไม่ชอบเขาได้ดีเราก็ต้องอนุโมทนาพระุทธเจ้าตรัว่าแม้แต่แม้กระทั่งคนที่เลื่อยเราเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเป็นสองท่อนเนี่ยแม้เราจิตถ้ า, าว่าเรามีจิตโหดร้ายมีจิตโกรธแค้นด่าเขาปรารถนาร้ายต่อเขาก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ต้องมีจิตเมตตาแผ่ ความปรารถนาดีไปให้เขาขนาดนั้นเลยในพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่โกรธคนที่ทำร้ายอย่างยังยังยังถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์เพราะฉนั้นยิ่งยินดีในความตายของเขานี่มันยิ่งไกลาจากความสอนของพุทธเจ้ามากขึ้นแั่เราก็ได้เวลาแล้ว เ, เดี๋ยวยัดโยมก็จะได้พอไม่ออกก็จะได้อาราธนาสิง์